พระแต่ก่อนนะค้าที่หลวงพ่อไปเห็นพระสมัยก่อนนะ่ะก่อนจะเทศท่านตั้งนโมก่อนแล้วก็ต้องบอกภาษาบาลีหน่อยหนึ่งว่าวันนี้จะเทศเรื่องอะไรเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ตั้งตั้งใจเอกตั้งนโมดีนะาการบอกว่าธรรมานี้ของพระพุทธเจ้านะไม่ใช่ของคนที่เทศเองจะบอกภาษาบาลีด้วย การเล็บเรมอ้างอิงว่าวันนี้เทศเรื่องนี้เรื่องนี้นะเาตั้งเสร็จแล้วเนื้อข้างในจะเป็นอะไรเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะบางทีตั้งเอาไว้ดีเลยนะเนื้อข้างในเป็นเรื่องอื่นอย่างต้องน้ำหมูเสร็จแล้วก็บาลีหน่อยเช่นมโนภ พ, พังขามาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาอะไรนะี้ ตั้งอย่างนี้มีหัวข้อหลังจากนั้นก็เรื่องเทศพนะก็ดีเหมือนกันเป็นการเตือนคนเทศนะไม่ให้ลืมว่าธรรมะนี่ของพระพุทธเจ้านะแล้วก็เป็นการเตือนคนฟังไม่ให้ลืมเนะี่ยอย่ามันนึกว่าเป็นของผู้เทศผู้เทศไม่มีความหมายอะไรหรอกความสําคัญอยู่ที่ ทํางไงเราจะถ่ายทอดธรรมะของพระพุทธเจ้าให้มาสู่โลกได้โลกก็คือหมูสัตว์ถ่ายทอดธรรมะเพราะธรรมเป็นของสําคัญนะแธรรมะเนี่ยเข้าใจยากง่ายจนยากง่ายจนยากเราไปวาดภาพธรรมะไว้ยากเกินจริงนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าธรรมะอยู่ที่ไหน มือนก็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้เวลาเราวาดภาพธรรมะเร า, านึกถึงตู้พระใจผีดกอะไรเงี้ยธรรมะตั้งเยอะแยะแล้วมาเป็นที่พึ่งของเราได้ยังไงพระใจผีดกเองอย่างพึ่งเราเลยต้องเราต้องคอยดูไม่ให้ปลวกกิน ย, ย่เนี่ยที่จริงถ้าเข้าใจธรรมะนะธรรมะเข้ามาอยู่ในใจเราได้เราจะมีที่พึ่งเราจะพ้นทุกข์ได้ไมี่ของสําคัญมากพยายามเอาธรรมะเข้ามาสู่ใจตัวเองให้ได้ ไม่ใช่เรื่องยากธรรมะจริงๆแบ่งเป็นสองส่วนนะส่วนที่เป็นสังคต ธ, ธรรมเนี่เป็นความปรุงอยู่ส่วนที่พ้นความปรุงเนี่อสังคตะสังคตะมีอันเดียวคือ น, นิพพานนะัก น, นั้นก็ยัเ ง, ย ง, ย ง, ย ง, ยงเป็นสังคตะอยู่โลกุตตะละบางอย่างเนีัยเป็นสังคตะบางอย่างถึงจะเป็นอสังคตะสังคตะธรรมเช่นมัจ ผลเวลาเกิดมรรคเกิดแล้วดับไหมกเกิดระดับเห็นไห ม, ไ, หมไม่มีเกิดระดับเป็นสังคตอาอริยผลเกิดขึ้นระดับไหมเกิดแล้ดับอริยามรรคนะไม่ว่าจะชั้นใดชั้นหนึ่งก็ตามเกิดขึ้นชั่วหนึ่งขณะจิตเท่านั้นเองอริยผลเนี่ยเกิดขึ้นสองหรือสามขณะแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนสองขณะบางคนสามขณะถ้าพวกอินทรีกล้าปัญญาแก่กล้าเกิดสามขณะ ถ้าปัญญาไม่กล้ามากก็เกิดสองคณะแต่ล้งกิเลสได้เท่ากันนะแต่ความรู้ความเข้าใจก็แตกต่างกันเนะงืนมากเกิดขึ้นแล้วก็ดับกฎเกิดขึ้นแล้วก็ดับสิ่งที่ไม่ดับอีกแนิพพานนะเนี่ยนะนะธรรมะมีสองส่วนส่วนที่ปรุงแต่งกับไม่ปรุงแตง่ส่วนที่ปรุงแต่งก็ยังมีสองส่วนนะส่วนที่เป็นโลกิยะแต่ส่วนที่พ้นจากโลกิยะเป็นโลกุตตะรนะ ธรรมะส่วนของโลกิยาเนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเรามีอยู่แล้วธรรมะในส่วนของโล ก, กุตตะเราขอเรายังไม่เกิดคือมรรคผลยังไม่เกิดแต่ธรรมะในส่วนอสังขตะคือนิพพานเกิดอยู่แล้วมีอยู่แล้วนะมีอยู่แล้วแต่ไม่เห็นไม่เห็นเพราะว่าจิตเราไม่มีคุณภาพพอจิตมันมีคุณภาพระดับไหนไมันก็เห็นธรรมะระดับนั้นนะ ถ้าจิตคุณภาพสูงก็เห็นธรรมะระดับสูง่ะจิตพ้นจากความปรุงแต่งก็เห็นธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งนะจิตยังปรุงแต่งอยู่ก็เห็นธรรมะที่ปรุงแต่งอยู่ยกตัวอย่างง่ายๆเลยวันไหนจิตใจเราหดหู่นะโลกทั้งโลกดูหดหู่ไปหมดเลยนะนิพพานมีอยู่แล้วนะนิพพานไม่เกิดขึ้นเพียงแต่เราไม่เห็นวันใดใจของเราพ้นจากความปรุงแต่งเราก็เห็นนิพพานวันใดใจเราปรุงแต่งเราก็ไม่เห็นหรอก งั้นถ้ามบันไดคนความปรุงแต่งเขาเห็นเหมือนอย่างในโลกบันไดจิตใจเราหดหูนะโลกก็หดถูไปด้วยนะใจเรานี่แหละสร้างโลกคล้ายๆใส่แว่นตาเข้าไปใส่สีชมพูโลกก็สีชมพูใส่สีมืดๆหน่อยโลกก็มืดๆหน่อยนะใจเราเป็นยังไงเราก็เห็นธรรมะระดับนั้ น, น่ะใจเราชั่วเราก็เห็น เ, นเรื่องชั่วๆใจเราดีใช่ไหมก็เห็นของดี ในความมุ่นวายก็ยังเห็นของดีได้นะถ้าใจของเราดีพอยังเห็นคนเขาประท้วงคนเขาตีกันเผาบ้านเผาเมืองนะมีเห็นเรื่องไม่ดีถ้าใจของเรามีคุณภาพพอเราก็เห็นโลกนี้เป็นอย่างนี้นะไม่เป็นไปอย่างที่ปรารถนาปรารถนาสันติภาพมันไม่มีปรารถนาให้คนสามัคคีกันมันไม่มีก็ไปเห็นธรรมะได้ถ้าใจถ้ามีคุณภาพพอ นั้นถ้าใจของเราพ้นความปรุงแต่งเราก็เห็นธรรมะที่พ้นความปรุงแต่งเห็นนิพพานได้อยู่ที่ใจเรานี่ใจเนี่ยเป็นคนสร้างโลกสร้างภพนะแต่ทางพ้นโลก พ, นพล้นภพเราคือพระนิพพานนเะราอาศัยใจนี้แหละ ไ, ไปรู้ถ้ามีคุณภาพเขก็รู้ได้ไม่มีคุณภาพเขไม่รู้หรอกนะนั่นเรามาฝึกคิดฝึกใจนะค่อยสมกับเป็นอะไรมโนอะไรลืมไปแล้วเมื่อกี้นี้ยมโนผูกพันก็มาธรรมะ ทำทั้งหลายใจมาถึงก่อนนะถ้า ใ, ใจดีนะโลกก็ดีใจร้ายโลกก็ร้ายนะใจพนโลกมันก็เห็นธรรมะที่พนโลกสําเร็จได้ด้วยใจทําทั้งหลายสําเร็จได้ด้วยใจแล้วเรามาฝึกใจของเราให้ดีนะให้ใจของเรามีคุณภาพใจของเราโดยตัวของมันเองนะผ่องใสผ่องใสถ้าเรียกว่าสภาวะสอนผ่องใสแต่เศร้าหมองเพ ก, กิเลสที่จรมาเป็นคร้วคล้า ว, าวฉว่าอย่างนี้นะ ธรรมชาติของจิตเนยธรรมชาติดั้งเดิมของจิตนะ้น่งใสแต่เศ้าหมองก็กิเลสที่จอนมาเป็นเค้าวๆตรงนี้ต้องแยกให้ดีบางคนเข้าใจผิดบางคนเข้าใจว่าจิตไม่บริสุทธิ์แล้วกิเลสมะทําให้ไม่บริสุทธิ์ให้ไม่ได้บอกว่าจิตบริสุทธิ์ให้บอกว่าจิตผ่งใสผ่งใสกับบริสุทธิ์คนละอันบริสุทธิ์คือคาว่าปริสุทธิ์นะปริสุทธิ์ที่ผงใสคือประพัดสอนคนละเรื่องเลยนะ อ ย, <PTSD> อย่างคนชื่อบริสุทธิ์กับคนชื่อประพัฒน์ศเนี่ยค น, น, นคนแน่เลยคนะเรื่องกันนั้นโดยธรรมชาติของจิตเนี่ยไม่ได้บริสุทธิ์นะงั้นบางคนบอกไม่ต้องทําอะไรเลยจิตนี้ดีอยู่แล้วไม่ต้องทําอะไรเลยอยู่เฉยเฉยไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรทั้งสิ้นศีลสมาธิปัญญาไม่ต้องเอามรรคผลนิพพานอะไรไม่เอาสมาทิฏฐิไม่ต้องเอาเพราะว่าจิตนี้ดีอยู่แล้วจิตแค่ปร่งใสนะแต่จิตโง่จิตไม่ได้บริสุทธิ์จริงนะจิตยังโง่อยู่จิตนอนจมกิเลสอยู่ เพราะฉนถ้ามาเชื่อว่าจิตมันดีอยู่แล้วนะศีล ส, สมาธิปัญญาก็ไม่สําคัญไม่ต้องซักซอกมันนะแค่นั้นก็แค่สว่างอยู่ น, นั่นเองพอพัดสอนอยู่แค่นั้นเองสว่างเพราไม่ไปยุ่งกับมันก็สว่างนะแจ่มใสแต่ไม่ใช่นิพพานนะนิพพานไม่ได้หรอกเพราะว่าจิตนั้นโดยตัวของมันโศโครกโศโปร ก, ปรกมันจมกิเลสจมอวิชชาอยู่เราะฉนั้นอยากจะให้มันหลุดจากอาวิชชาต้องซักซอกมันนะ ทำวความสะอาดมันมันถึงเะียบริสุทธิ์นะงั้นอย่าเข้าใจผิดนะบางคนตีความธรรมะผิดอย่างร้ายแรงเลยว่าจิตนี้ประพัฒ ส, สอนแนละ้วเพราะงั้นไม่ต้องทำอะไรแนละ้วดีอยู่แล้วนะจิตนี้เร็วนะแต่สว่างนะจิตนี้เร็วแต่สว่างมันมองมันมัวมห ว, ม, วมองมอ ง, มองตอนที่กิเลสอยากมันจอนมาหรอกส่วนจิตเองนั้นนะอาวิชาครองหัวใจอยู่ตลอดเวลายอยู่แล้วนะอาวิชาครองโลกอยู่แล้วนะ พยาบาลนี่แหละครองหัวใจเราอยู่ตลอดเวลาคลองโลกอยู่ตลอดเวลาที่ตัววิชานี่เองนั่นเราต้องสักซอกนะชำระล้างจิตของเราชำระล้างด้วยอะไรด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาล้างกิเลสไปเป็นลําดับลําดับกิเลสหยาบล้างด้วยศี น, นกิเลสหยาบก็คือราคะโทสะโมหานี่ต้องมีศีลถ้าเราไม่มีศีนนะพอราคะเกิดขึ้นทนไม่ได้ก็ไปเป็นชูเขา มีกิ๊กมีกิ๊กนะสมัยหลวงพ่อไม่มีกิ๊กก็ไม่มีศั์คำนี้ก็มีอนุสมัยนู้นนะเรียกอนุนะเนี่นี่เรียกกิ๊กเนี่ยเวลารราคาเกิดนะก็ผิดสี่ข้อสามได้ข้อสองก็ผิดได้นะรักทรัพย์ได้โอหกหล่อกลวงก็ได้เห็นไหมข้อสีข้อสี่โอหกหลอหลวงข้อสองรักทรัพนี้เวลาราคาเกิดโลค่าเกิดก็ทำได้ อย่างไอหนุ่มนะเวลาราคาเกิดมันอยากได้สาวมันก็โกหกสาวคุณนี่สวยที่สุดในโลกเลยประยกเดียวก็ผิดแล้วเพราะไม่ใช่นางงามจักรวาลโกหกชัดๆเลยแม้ว่าพอราคาเกิดนะก็ผิดสรรินได้สารพัดนะโกหกก็ได้โทรศัพท์เกิดโกหกก็ได้ใช่ไหมฆ่าเขาก็ได้ตีเขาก็ได้นะะไปขโมยเขาก็ได้นะย่งทรัพย์สินเขาก็ได้เพราะว่าแกล้งเขาแกล้ง ไว้เวลาที่กิเลส ช, ชั่วหยาบเกิดนะคนจะทําผิดศีลเรายังสู้กิเลสอยาบหยาบไม่ไดนะ้ตั้งใจไหมรักษาศีลไหมอย่างน้อยกิเลส ช, ชั่วอยากเกิดขึ้นที่ใจก็ตามเถอะอย่าให้มันทําผิดศีลทางกายทางวาจาออกมาอย่าให้มันล้นออกมาทางกายทางวาจามันไปเบียดเบียนคนอื่นเขานะดังศีลเนี่ยนะช่วยควบคุมพฤติกรรมทางกายทางวาจาของเราไม่ให้ไปร้าวรานผู้อื่น นี่มันหยาบมากมันก็ไปรานคนอื่นอิเลชชั้นกลางชื่อว่านิวรณ์เราจะสู้ด้วยสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตนะไม่ใช่สู้ด้วยความสงบแต่สู้ด้วยความตั้งมั่นสมาธิแต่ว่าความตั้งมั่นสมาธิไม่ได้แปลว่าสงบนะอย่าเลยแปลผิดนะถ้าแปลผิดก็ภาวนาผิดอีกสมาธิคือความตั้งมั่นองค์ธรรมของสมาธิคือความตั้งมั่นตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อันเดียวนั่นแหละนะ ถ้าเป็นสมาธิที่ดีก็ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ที่เป็นกุศลถ้าเป็นสมาธิที่ใช้เจริญนิพพ ส, สนาก็ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์รูปนามถ้าเป็นสมาธิของพรายิยาเจ้าในขณะเกิดมากเกิดผลตั้งมั่นอยู่ในอารม ณ, ณ์นิพพานจะมีตลอดนะสมาธิเนี่ยกระทั่งต่อกรรมทามชั่วก็มีสมาธินั้นสมาธิต้องต้องดูให้ดีสมาธิเป็นความตั้งมั่นของจิตอยู่ในอารมณ์อารมณ์เันเดียว ถ้าถ้าตั้งเป็นนะจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาเราจะเห็นอารมณ์นั้นกับจิตนี้เป็นโคล่าลกันะแยกกันนิวรณ์เป็นอะไรนิวรณ์ทั้งหมดเลยมีห้าตัวกามัชันทะนิวรณ์ความยินดีพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสพยาบาทความไม่พอใจไม่พอกพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสความฟุ้งซ่านอุทจักกุกุจักความฟุ้งซ่านลำคัญใจ ความลังเลสงสัยนะวิจิกิจดฉาและก็ถีนมิทธะความเสื่องซึมของจิตของเจตสิกจิตเสื่องซึมเจตสิกเสื่องซึมซึมไปด้วยกันนะทางานไม่ค่อยสะดวกทางานไม่ได้รู้อารมณ์ได้ไม่ดีไม่ชัดเจนนิวรณนทั้งหมดถึงจะมีห้าตัวแต่ถ้าจะว่าไปแล้วโดยสภาวะของมันเป็นความฟุ้งของจิตทั้งสิ้นเลยฟุ้งไปในอารมณ์ที่ดีเขาเรียกว่าปามาฉันทะ พุ่งไปในอารมณ์ที่ไม่ชอบใจเป็นพยาบาทพุ่งจับจดจับอารมณ์ไม่ถูกเรียกวุทัตจะพุ่งไปสงสัยคิดนึกตรุงแต่งใหญ่เรียกว่าวิชิกิจฉาใช่ไหมพุ่งไปจับอารมณ์ไม่ได้เลยไม่รู้เรื่องเลยเป็นถีนามิทะซสื่อมสืบจับไม่ถูกเป็นเรื่องของจิตฟุ้งซ่านทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะสู้กับจิตฟุ้งซ่านก็ต้องจิตไม่ฟุ้งซ่านจิตที่ไม่ฟุ้งซ่านคือจิตที่ตั้งมั่น จิตมีสมาธิคือใช้สมาธิสู้กับนิวรณนไม่ใช่ศีลไปสู้กับราคะโทสะโมหะที่เป็นกิเลส ช, ชั่วยยาบนะล้วเราต้องมีนะต้องมีมีศีลมีสมาธิวิธีฝึกให้จิตมีสมาธินะสมาธิคือความตั้งมั่นง่ายที่สุดเลยคอยรู้ทันจิต ท, ที่ไม่ตั้งมั่นนะง่ายสุดๆเบื้องต้นหาเครื่องอยู่ให้จิตสะกก่อน เราจะรู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเคลื่อนไหวนะต้องมีอะไรหยุดนิ่งเอาไว้เป็นตัวสังเกตถึงจะเห็นชัดว่ามันเคลื่อนไหวมากขนาดไหนนะจิตธรรมดาร่องลอยดูยากไม่รู้เคลื่อนไปกี่องศาละถ้ามีเครื่องสังเกตคือว่ามีเครื่องสังเกตอันนึ่จิตมันอยู่ตรงนี้ก็รู้นะเคลื่อนนิดหนึ่งก็เห็นละมันเคลื่อนละนะเครื่องสังเกตของจิตเนี่ยเรียกว่าเครื่องอยู่วิหารธรรม ถ้าเรามีเครื่องอยู่ของจิตไว้อ่นนะถ้าจะฝึกให้จิตตั้งมัน่นพุทโธก็ได้รู้ลมหายใจก็ได้อะไรก็ได้นะเอาสักอันหนึ่งนะให้จิตตั้งมัน่นให้จิตเนี่ยไปรู้เครื่องอยู่นั้นอย่างสบายๆรู้พุทโธอย่างสบายๆรู้ลมหายใจอย่างสบายๆรู้ท้องผองยุบสบายๆรู้อิธิยาบทสี่สบายๆนะรู้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนอิธิยาบทสีรู้ร่างกายพ่องร่างกายยบรู้อย่างสบายๆ รู้แล้วทําอะไรรู้แล้วให้จิตนิ่งอยู่กับอารมณ์นั้นหรอไม่ใช่นะไม่ใช่รู้แล้วบังคับให้จิตสงบนิ่งๆอยู่ในอารมณ์มันเดียวแต่รู้เพื่อจะรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านไปแล้วที่เคลื่อนไปแล้วเช่นเราพุทโธพุทโธนะจิตนี้ที่จะพุทโธเรารู้ทันเรารู้ลมหายใจออกหายใจเข้าจิตนี้ก็จะกลมหายใจเรารู้ทันไม่ใช่บังคับจิตให้อยู่ที่ลมหายใจถ้าบังคับเราจิตจะแน่นนะ นัแ่แหละหัดพูดโทรหัดหายใจหัดดูท้องฟองยกแล้วรู้ทันจิตไหมบ่อยๆจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้นะหลนิดนึ่งก็เห็นไหลนิดหนึ่งก็เห็นเนี่ยหลวงปู่มั่นสอนสมาธิให้ฆราวาสสอนแบบนี้นะสอนอย่างนี้นะสอนให้ดูจิตนะสอนให้ดูจิตนีใครบอกว่าดูจิตเป็นของใหม่ๆโธ่ขเขาสอนยมาแต่ในทลายผู้เจ้าเขสอนหลวงปู่มั่นเอามาสอนหลวงปู่ดูล ด, ด้วยนะ แล้วสอนค า, ารวะด้วยร า, าราะเนี่ยท่านบอกให้มีเครื่องอยู่ไว้อยู่กับพุโทโธก็ได้อยู่กับลมหายใจก็ได้แล้วคอยรู้ทันจิตนะจิตนี้ไปเรารู้จิตนี้ไปเรารู้นะในที่สุดพอมันขยับหนีไปพอเรารู้ทันมันจะตั้งขึ้นเองนะเพราะอะไรจิตที่หลงไปนะเป็นอกุศลนะมีโมหะทันทีที่สติระลึกได้ว่าจิตหลงไปจิตเปอกุศลนะจิตที่เป็นกุศลก็เกิดจิตไม่ไม่หลงแล้วจิตตั้งขึ้นมาเองอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องบังคับนะแล้วเราฝึกบ่อยๆ นเราฝึกอย่างนี้พอจิตไหลไปแล้วรู้ไหลแล้วรู้นะมีเครื่องอยู่แม่ไม่ได้บังคับจิตให้นิ่งอยู่ที่ลมหายใจไม่ได้บังคับจิตให้นิ่งอยู่กับพุทโธไม่บังคับจิตให้นิ่งอยู่กับท้องฟองยุลไม่บังคับจิตให้นิ่งอยู่กับเท้าเวลาเดินแต่จิตหนีไปจากอารมณ์ที่เราใช้เป็นวิหารธรรมให้รู้ทันนะรู้ทันอย่างเนี้ย น, นะจิตจะกลับมาเองเข้าบ้านกลับบ้านได้เมื่อจิตเข้าบ้านได้ก็ตั้งมั่น พอจิตตั้งมั่นแล้วมาถึงขั้นของการเดินปัญญาปัญญาทําหน้าที่ล้างกิเลสละเอียดกิเลสหยาบคือราคะโทสะโมหะนี่มันล้นออกมาทางกายทางวาจาได้มันมาควบคุมพฤติกรรมทางกายทางวาจาได้ะสูดสุด้วยศีลไม่ทําผิดทางกายทางวาจาตั้งใจไว้เลยทุกวันตั้งใจจะไม่ผิดศีลห้ากิเลสอย่างกลางคือนิวรมันทําให้จิตต้งสร้างเราก็ให้จิตมาแน่วแน่ตั้งมั่นอยู่ เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่นะโดยการมีวิหารธรรมมาเป็นเครื่องสังเกตว่าจิตหนีไปแล้วนะจิตจะตั้งขึ้นมาจิตก็ไม่ฟุ้งไปนี่สู้กับกิเลสชั้นกลางได้เป็นนิวรณ์ได้กิเลสอย่างละเอียดคืออะไรกิเลสอย่างละเอียดคือมิจฉาทิฏฐิใช่ไหมนะเพราะฉั้นกิเลสละเอียดที่สุดนี่คือตัวมิจฉาทิฏฐิบางคนสอนซะอีกนะจิต ด, ดีอยู่แล้วสัมมาทิฏฐิก็ไม่จําเป็นนั่น จิตแค่ประพัดสอนเท่านั้นจิตงูนะราคะโทสะโมหะเพียบเลยนิวรณ์ก็ยังซ่อนอยู่นะมองไม่เห็นนะมิจฉาทิฏฐิก็ยังมีอยู่แล้วบอกไม่ต้องล้างไม่ล้างได้ไงพระเทเจ้าสอนให้ล้างล้างมิจฉาทิฏฐิด้วยปัญญานะปัญญาเท่านั้นแหละที่จะล้างมิจฉาทิฏฐิได้เพราะฉินเนี่ยนะล้างราคะโทสะที่เป็นกิเลส ช, ชั่วยหยาบสมัครที่คือความตั้งมั่นของจิตซึ่งเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ย จะล้างกิเลส ช, ชั้นกลางคือนิวรณ์คือความฟุ้งต่างๆฟุ้งนานาชนิดไม่ฟุง้งนะกิเลส ช, ชั้นละเอียดคือมิจฉาทิฐิล้างด้วยปัญญาเหน้าที่ของปัญญาปัญญาเนี่ยเหมือนมีดโกนนะเหมือนมีดผ่าตัดนะ่ะตัวสีเหมือนขวานเหมือนปล้าเหมือนเลื่อยเหมือนสิวอะไรเนี่ยของห ย, ยาบๆตัวนิวรณ์สู้ด้วยสมาธินะเหมือนตะไบเหมือนอะไร กระดาษทรายเหมือนอะไรนี่ค่อยละเอียดขึ้นมานะตัวปัญญานะคมกริบเลยเหมือนมีดผ่าตัดนะเอามีดผ่าตัดไปตัดต้นไม้ได้ไหมตัดได้แต่ต้นไม้ไม่ตายไม่ขาด <c oughs> เอามีดผ่าตัดไปตัดกิเลสหยาบหยาบตัดไม่ขาดหรอกกิเลสมันตัดเอาปัญญาขาดไปเลยนะมันอย่านึกนะว่ามีสติมีปัญญาอย่างเดียวแล้วสู้กิเลสได้ทุกชนิดต้องพร้อมนทะ่านถึงบอกว่าความดีต้องพร้อมใช่ไหม สัพาพะปาปัสสะพละนังไม่ทํำบาปทั้งปวงนะกุศลสูบประสัมมธาทํากุศลให้ถึงพร้อมศีล ส, สมาธิปัญญาต้องพร้อมไม่ใช่มีอันเดียวเพราะฉะนั้นถ้ามีศีลอย่างเดียวนะรักษาศีลอย่างเดียวไม่มีสมาธิได้ไหมได้มีสมาธิอย่างเดียวไม่มีศีลไม่ได้แล้นะไม่ได้ละมีปัญญาอย่างเดียวไม่มีศีลไม่มีสมาธินี่ไม่ได้เลยนะ ไม่ไดเ้เหมือนสร้างบ้านกลางอากาศไม่มีเสาเข็มไม่มีต่อหม้อไม่มีคานไม่มีอะไรอย่างเงี้ยสร้างไม่ได้กลา ง, ลางปัญญานี่จะเป็นตัวล้างความเห็นผิดเพราะความเห็นผิดนี่แหละเป็นกิเลส ช, ชั่วหยาบชั่วร้ายสุดๆเลยความเห็นผิดก็คือตัวอวิชานั่นเองซ่อนเนียนๆอยู่ในใจถ้าใครเชื่อว่าจิตนี้ดีอยู่แล้วประพัฒสอนอยู่แล้วนะแสดงว่าบริสุทธิ์อยู่แล้วไม่ต้องทําอะไรเลยศีล ส, สมาธิปัญญาไม่ต้องใช้ สัมมาทิฏฐิไม่ต้องมีพวกนี้จะนอนจมกิเลสโดยไม่รู้เรื่องอยู่างนั้นกี่ภพกีชาติก็จะจมอยู่กับกิเลสอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นจิตไม่ได้ดีอยู่แล้วนะจิตชั่วอยู่แล้วนะต้องกลับข้างเลยนะจิตมีอวิชชาครองโลกครองหัวใจอยู่แล้วเพราะฉั้นจะต้องล้างอาวิชชาให้ได้จะล้างอาวิชชาได้นะต้องล้างลูกน้องมันก่อนต้องล้างกิเลสอยากหยกับกิเลสย่างกลางเข้าไปนะสู้ของมันไปกิเลสละเอียด ร้งด้วยปัญญาวิธีใช้ปัญญานะมีสติรู้ทันปัญญาเนะี่ยเป็นเครื่องสักฟอกเรียนรู้กายเรียนรู้ใจเนะอวิชาเนี่ยเป็นความไม่รู้อริยสัจอริยสัจข้อที่หนึ่งคือทุกข์อาวิชาทําให้เราไม่รู้ทุกข์อะไรคือทุกข์รูปธรรมนามธรรมนั่ น, นแหละคือตัวทุกขนะ์เรียกว่ารูปนามเป็นตัวทุกข์นี่เราไม่รู้ว่าตัวทุกข์ก็คือรูปธรรมนามธรรมชื่อสิ่งซึ่งเราเห็นว่าคือตัวเรานั่นเอง ถ้ารู้รูปรู้นามก็เรียกว่ารู้ทุกงั้นวิธีปฏิบัตินะให้รู้ทุกคือรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจของตัวเองนี่แหละรู้เข้าไปซักฟอกเข้าไปว่ากายนี้จริงๆเป็นอย่างไรเราต้องการรู้ความจริงเพราะงั้นเราไม่ดัดแปลงความจริงนะร่างกายเคลื่อนไหวก็ดูเหมืนเคลื่อนไหวไปไม่ต้องดัดแปลงมันทําให้มันนิ่งหรือว่าเคลื่อนไหวผิดธรรมชาติธรรมดาเคยเดินท่าไหนก็เดินได้นะยกเว้นจะเดินในพิธีการ คนอื่นเขเดินช้าๆเราจะจำจ้ำตามกวายอยู่คนเดียวมันไม่ได้ไม่งั้นเดี๋ยวไปเหยียบคนอื่นเขาเข้าเดินให้เหมือนๆ เ, เขาแต่ในธรรมชาติธรรมดาของเราเนีเดินจงกรมแต่ละคนนะมีท่าที่ตัวเองถนัดก็เดินไปอย่างนั้นแต่ไม่ใช่เดินถนัดถนัดอย่างนี้นะเอ้อเรเหยียดนะนี้ไปหมดเลย น, นั่วเราไม่ดัดแปลงเราไม่เริ่มต้นในการดัดแปลงเราต้องการรู้ว่าจริงๆเป็นอย่างไระจริงๆเป็นอย่างไรกายนี้เป็นอย่างไรจิตนี้เป็นอย่างไร เราต้องการรู้ทุกเราไม่ได้ต้องการดัดแปลงทุกเราไม่ต้องการละทุกนะไม่ใช่ละทุกนะอย่างนั่งสมาธิปวดทำยังไงจะหายปวดไอ้นั่นอยากละทุกลนะทุกให้รู้ไม่ใช่ให้ละนั่นหะนะน้าที่ของเรารู้รู้รูปรู้นามตามที่เขาเป็นอยากรู้ตามที่เขาเป็นต้องไม่ไปดัดแปลงเขาเขาเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้นนะทาใจเป็นแค่คนดู ทําใจเป็นแค่คนดูใจที่เป็นคนดูได้นั่นแหละคือใจที่มีสมาธิแหละเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะเป็นผู้รู้นะไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งดังนั้นใจที่ไหลไปแล้วรู้ไหลแล้วรู้เนี่ยมันจะตั้งขึ้นมาพอใจมันตั้งขึ้นมาแล้วเรว่าเรามีสมาธิแล้วมาดูรูปดูนามมันทํางานดูด้วยใจที่ตั้งมั่นสบายๆเป็นผู้รู้ผู้ดูนี่เองเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวเห็นจิตใจมันเคลื่อนไหวนะใจเราเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูสบายๆ ในที่สุดจะเห็นความจริงความจริงของกายคืออะไรความจริงของกายคือไตรลักษณ์ความจริงของจิตคืออะไรคือไตรลักษณ์นั่นความจริงของกายก็ไตรลักษณ์ความจริงของจิตก็ไตรลักษณ์อันเดียวกันนั่นเองคือความเป็นไตรลักษณ์เราดูเพื่อให้เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามของกายของใจการเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจนี่แหละชื่อว่าเจริญปัญญามีปัญญา ถ้าไปเห็นอย่างอื่นไม่เรียกว่าปัญญานะไปเห็นว่าร่างกายนี้คือตัวเราร่างกายนี้เที่ยงถาวรเนี่ยอนนี้ไม่เรียกว่าปัญญาต้องเห็นเลยมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์นะมันทนอยู่ไม่ได้เครื่อไหมมันเปลี่ยนแปลงนะมันหมุนเวียนไปเรื่อยไม่มีตัวเรานะนี่ดูไปเรื่อยๆดูจนกระทั่งเห็นความจริงเลยกายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เรา เป็นแค่รูปธรรมเป็นแค่นามธรรมมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ะตัวนี้สําคัญนะจะเห็นอย่างนั้นจริงๆเห็นเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้น่ะไม่ใช่สิ่งที่อมตะทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีตัวเราถาวรไม่มีสิ่งที่เป็นตัวเราถาวรในความเป็นจริงแล้วไม่มีสิ่งใดถาวรเลยไม่เฉพาะว่าสิ่งที่เป็นตัวเรานะสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับทั้งสิ้นไม่มีสิ่งใดถาวรมีสิ่งถาวรอันเดียวคือนิพพานซึ่งเรายังไม่เห็นนะ ต้องเห็นรูปเห็นนามให้แจ้งนะเห็นรูปเห็นนามให้แจ้งพองเห็นรูปเห็นนามแจ้งแล้วตอนที่เกิดอริยามรรคนี่ย น, นะจิตจะสัมผัสกับพระนิพพานตอนได้โสดาปติมรรคนั่นแหะคือครั้งแรกในสังสารวัฏที่สัมผัสกับพระนิพานพานพระนิพพานเป็นยังไงพระนิพพานไม่มีไม่เป็นอะไรเป็นสภาวะที่พ้นจากความมีความเป็นนะนิพพานมีอยู่ไหมมีอยู่นะมีลักษณะยังไงมีลักษณะสรรันติสงบสันติไม่ใช่ไม่มี ไ ม, s. <S ไม่ใช่น ain, ิพานแห้งแรงหวงหวงเวงเวงไม่รู้เรื่องรู้ราวจิตที่สัมผัสนิพานเป็นไงมีบรมสุขนะเพราะนิพานเนี่ยเป็นบรมสุขเราไปสัมผัสบรมสุขนะมันก็บรมสุขไปด้วยนะเราไปสัมผัสไฟไฟมันร้อนใช่ไหมมันก็บรมมร้อนไปด้วยแหละใช่ไหมสัมผัสน้ำแข็งมันก็บรมมเย็นแหละสัมผัสพรนิพานบรมสุขนะสุขจริงๆนะสุขจนธาตุขันมนุษย์นี่แทบจะทนอยู่ไม่ได้เลยสัมผัสทีแรกเนี่ยแทบตายเลย แต่ว่าตอนโสดาสกตาคารนาคานี่มันสัผัดแว บ, บเดียวไม่ทันตายหรอกนะไม่ทันรู้สึกหรอกถ้าภาวนาให้มันสุขจิตนะเมื่อถึงพระนิพพานนี้จิตมันทรงอยู่แล้วนะทรงกับพระนิพพานโอ้ยม่มีความสุขอันนี้ครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังนะหลวงพ่อแค่อวดข้อมูลที่ครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังหลวงปู่สุวัสดิ์ท่านบอกนะท่านบอกตอนที่ท่านปส่อยวางจิตนะท่านมีความสุขอยู่ตั้งปีกว่ากว่สุขมหาศาลสุขเหมือนจะทนอยู่ไม่ไหวเลยสุขมหาศาล สุขแทบตายสุขมากไป ใ, ใจก็ค่อยๆ ค, ค, คุ้นเคยนะ ใ, ใจก็ค่อยเป็นอุเบกขาก็ามีความสุขบ้างอุเบกขาบ้างไม่หวือหวาเหมือนทีแรกมีความสุขมากนี่พวกเราอยากได้สัมผัสความสุขอันนี้นะเราต้องพ้นทุกข์ให้ได้ตัวทุกข์ก็คือรูปนามกายใจของเรานี่เองเราจะพ้นทุกข์ได้ใจจะปล่อยวางรูปนามปล่อยวางกายวางใจได้ ใจต้องมีปัญญาเห็นความจริงของรูปของนามนะว่าไม่ใช่ของดีของวิเศษตอนนี้พวกเราปล่อยไม่ได้เพราะอะไรเรารู้สึกไหมร่างกายนี้เป็นของดีของเราแม้ร่างกายนี้นําความสุขมาให้ปล่อยไม่ได้แล้วมันยังมีความสุขอยู่นะถ้าวันใดเห็นนะร่างกายนี้มีทุกข์ล้วนๆนะมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยสุขไม่มีมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยอย่างแต่ก่อนหลวงพ่อเด็กๆนะเวลานอนนี่มีความสุขมากเลยหรือ น, นี่นอนไม่เห็นมีความสุขมาตั้งแต่ เป็นสิบสิบปีเนี่นะนอนไม่เคยมีความสุขเลยนอนก็เห็นแต่ทุกข์นะกายมันทุกข์นะมันต้องดิ้นไปดิ้นมาพลิกไปฟึกมันก็ทุกข์คั้งนั้นน่ะนอนก็ทุกข์นั่งก็ทุกข์ยืนก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นะทุกข์สารพัดเลยใครว่านั่งไม่ทุกข์เนี่ยนั่งก็ยุกจะยิกเนี่ยก็เพราะมันทุกข์นะมันเมื่อยอ่ะเนี่ยจริงๆนะกายมันทุกข์ล้วนๆเลยจิตก็เหมือนกันนะพวกเราปล่อยวางจิตไม่ได้เราเห็นว่าจิตนําความสุขมาให้ พามันไปดูหนังดูละครแล้วมันก็มีความสุขพามันไปเที่ยวไปกินไปเล่นนะก็ ม, มีความสุขเนี่ยก็คิดว่ามันเป็นของดีของวิเศษมันนําความสุขมาให้แต่ถ้าสติปัญญาแก่รอบทอนะมีสติตามรู้จิตมีสติตามรู้กายตามรู้เวทนาตามรู้สังขารที่ปรุงแต่งเรื่อยไปจะเห็นไหมไม่เห็นมีตัวไหนสุขสักตัวเลยตัวจิตเองก็ไม่เที่ยงจิตเองเกิดแล้วก็ดับกระทั่งตัวผู้รู้เกิดแล้วก็ดับ รูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะชื่อหลวงปู่ล่าปูเจออ้าก๊อกท่านสอนดีนะท่านบอกว่าใครเห็นว่าจิตผู้รู้เที่ยงแล้วก็เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่หสอนขนาดนี้นะสอนแบบฟันกระบาลเปี้ยงๆเลยนะไม่มีไม่มีเที่ยงนะในขันห้าไม่มีอะไรเที่ยงสักอันเดียวแต่ทั้งตัวผู้รู้ก็ไม่เที่ยงประเดี๋ยวก็กลายเป็นตัวผู้คิดแล้วเห็นไหมตัวผู้รู้ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็เป็นผู้หลงแล้วตัวผู้รู้ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่งแล้วหมุนเวียนอย่างนี้นะ ดูลงมาสี่จิตเนะี่ยที่ว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีความสุขอยู่ในตัวเองอะ่ะมันไม่เที่ยงอะ่ะความสุขนี้ยังอาศัยยิงอาศัยไม่ได้นะตัวผู้รู้เขายิงอาศัยไม่ได้นี่ภานาจนเห็นเพื่อมาถึงขนาดนี้เห็นนะ่ยตัวผู้รู้นี่แหละตัวทุกข์นะตัวทุกข์ตัวแปรปรวนตัวอาศัยอะไรไม่ได้ก็ เ, เห็นอย่างนี้แจ้งนะมันถึงจะวางถ้าไม่แจ้งไม่วางหรอกมันคิดว่านําความสุขมาให้นะจิตนี้แหละถ้ามันมีกิเลสนะมันจะ เป็นทุกข์นี่มีความอยากมีความยึดมันจะทุกข์แต่ถ้ามันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันไม่มีความอยากไม่มีความยึดมันไม่ทุกข์นี่ยไปเห็นอย่างนี้จริงๆมันทุกข์โดยตัวของมันเองมันทุกข์เพราะมันเป็นธาตุมันทุกข์เพราะมันเป็นขันนะมันทุกข์เพราะโดยตัวของมันเองคุณสมบัติของมันคือทุกข์ไม่ใช่สุขนะเราไม่เห็นเอง ถ้าเราเรียนจนกระทั่งเราเห็นคุณสมบัติที่แท้จริงของรูปนามของกายของใจคือทุกข์ล้วนๆเลยมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยพราเห็นอย่างนี้นะถึงจะวางได้นะวางขานี้หละโลคกระท่าฉันสะเทือนเลยเพราะอะไรเพราะรูปนามนี้หละโลกเนาะจับมันปลาทิ้งลงไปเลยนะสะเทือนนะสะเทือนน้ำหูน้ำตาร่วงเลยนะพะละอันนี้ครูบาอาจารย์ก็เล่าอีกนะ <c oughs> ไปกินข้าวไป <c oughs>